ในช่วงคุยธรรมะหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้เอ่อฟังพระธรรมเทศนานะเป็นการซื้อหนังสือต่างๆเหล่านี้ก็ไปลอง เราเอาเอามาอ่านมาเก็บประการนั่นคือการฟังธรรมตามการๆไคลครวนพิจารณานี่ไงจึง นะครับเจ้าพระไพบูลย์นะพี่บุญโณจากวัดป่าดอนหายโศก การฟังธรรมตามการก็เพื่อที่จะหวังผลคือการบรรลุธรรมอย 7 อย่าง น่ะบริจาคอาตคามาโพชงทั้ง 7 นะโพชงน่ะเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ไทยนะถ้าแปลอีกให้เข้าใจง่ายๆหน่อยก็คือองค์ประกอบที่ ในเวลาที่เรามาอย 7 อย่างและสิ่งที่กําลังจะพูดอยู่ต่อไปนี้เวลาส่วน แห่งน้ําตาลเลยก็อยู่ในนี้หมดนะมีหลายส่วนแต่พระพุทธเจ้าแยกแยะให้เห็นนะว่ามัน นะพร้อมละเนี่ยเป็นจิตที่พร้อมละที่จะตรัสรู้ทั้ง นะ, 7 อย่างนั้นที่เราทําให้พร้อมอยู่ก็พูดถึง ระลึกได้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมในเวลาที่เราได้มีเรื่องที่ตั้งที่ระลึกถึงเนี่ยจิตมันก็ไม่ไปไหนนะท่านฟังนะ แต่ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือคิดในเรื่องที่มันเป็นธรรมะนั่นน่ะนะคิดใคร่ครวญใน ทำอยู่คนเดียวนั่นน่ะนะตรงเนี้ยเป็นความเพียรทางกายนะความได้นําให้จิตของเราแต่คือเมื่อทีเรา เอ่อแล้วไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่าไอ้ความเพียรที่คุณใช้ใจมันมีความ มันวุ่นวายตามสิ่งภายนอกเนี่ยมั้ยคือใครจะเป็นยังไงคืออย่างที่เราทํากับ ปีติสัมโพชงตรงนี้ก็คือหมายความว่าจิตใจเรามันสบายอยู่ๆปะพูดหวาน ทีนี้พอเวลาเรามีความอยู่หัวใจความ เรามามีความสงบนิ่งๆอยู่นะนิ่งๆในที่นี้น่ะถึงว่าอะไรเปลี่ยน เรามีความสุขอยู่ในใจเหมือนมีก้อนหนึ่งเย็นๆ1 กัน 2 นี่ ทีนี้พอจิตของเราเนี่ยมีเอ่อความสุขในภายในน่ะตรงนั้นเป็น 1 เราอยู่น่ะมีความคิดพิจารณาอย่าง เราไม่รู้สึกแบบเป็นผู้ที่วางเฉยนิ่งเฉยอยู่ได้นะการวางเฉยนิ่งเฉยอยู่ ปีติปัสสัทธิสมาธิแล้วก็อุเบกขา 7 อย่างนี้เป็นองค์ประกอบ 7 อย่างนะสักอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังคือมันจะอยู่ด้วยกันคือเราต้องทําให้พวกเนี้ยมันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเข้า แต่เวลาแต่มันก็กินอร่อยไข่เนี่ยต้องตีให้มันละเอียดนะให้เนื้อมันฟูขึ้นเช่นเดียวกันเวลาที่เราจะทําตรง เตรียมที่จะปั้นหม้อเนี่ยเขาต้องทําบริกรรมกับดินนี้ก่อนเอาไอ้เมล็ดเม็ดดําๆให้พวกอะไรออกคุณจะทํากับข้าวเนี่ยคุณเอาข้าวมาคุณทอง ลายเป็นเนื้อเดียวกันให้เนื้อมันร่วนให้รสฝาดเนี่ย T เนี่ยแปลว่าการเอ่อล้อมทองนะให้ขนมให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันถึง นะทำตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยนะอะไรเกิดได้เอาตรง ในที่เรามีแล้วเราพร้อมล่ะที่คือมันก็ต้องทั้ง 5 อย่างเนี่ยมันจะต้องเต็ม สูงแล้วก็บรรลุทําได้ว่าสุกงอมของมรรคผลนั้นก็สมาธิตรงนี้เราเพิ่มปัญญาเพิ่มศรัทธา 5 ของเราเนี่ยเพิ่ม 5 นี้ นะขึ้นมาคําว่าคุณก็สุกเลยเป็นผล 4 ขั้นนี้นะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์เมื่อ 8 อยู่ในเมื่อนั้นโลก พระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมะรับมงคลเข้าชีวิตแล้วเราทําด้วยแล้วเราเดินอยู่